พออบน้อมต่อคุณพระตนาตไตรขอคารวะแด่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนโอกาสพระอาจารย์เพศสารพระเทละานุเทละเพื่อนสนำ ม, มิุกท่านเจริญธรรมไม่ทีและยาติธรรมุกท่านงานโปรงสิริละของหลวงพ่อคำเขียนก็ได้ผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้ว ซึ่งเป็นงานที่มีความเรียบง่ายแต่ก็มีความสง่างามแล้วก็เป็นสิ่งที่จัดโดยนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มาร่วมงานโดยแท้จริงซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีการติดธรรมะต่างๆของหลวงพ่อ ไว้ในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในศาลาหรือตามต้นไม้หรือตามที่ต่างๆที่คนสามารถที่จะมองเห็นได้อันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากตพราว่าไหนๆเขามาร่วมงานแล้วอาจจะมาวันนน้นหรือวันนี้หรือว่ามาในวันที่พรงสังขารจริงๆก็สามารถที่เห็นธรรมะของหลวงพ่อได้ตลอดแล้วก็มีการเปิดธรรมะของหลวงพ่อ ให้ได้รับฟังกันซึ่งธรรมะของหลวงพ่อส่วนใหญ่ก็เป็นในแนวโลกุตะละเป็นการสู่ความพ้นทุกข์ได้โดยตรงไม่ได้เบี่ยงเบนไปในทางอื่นๆที่จะทำให้หลงบกวนไปในวัฏสงสารแต่เป็นการชี้นำให้เข้าสู่ความพ้นทุกข์แทบทั้งนั้นแล้วก็มีการแจกหนังสือธรรมะ ซึ่งมีประโยชน์มากของหลวงพอ่อหลายๆเล่มแล้วก็มีเล่มตัทตาก็ได้มีนําธรรมะที่หลวงพ่อได้เขียนเอาไว้ในช่วงที่เจ็บป่วยที่พูดไม่ได้ก็เป็นธรรมะในโลกุตละแทบทั้งนั้นเป็นการให้เราไปบัติเพื่อความหลุดพ้นซึ่งหลวงพ่อก็จะพูดเหมือนกับให้ทุกคนตั้งใจปบัติเพื่อความหลุดพ้นกันตรงนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก เราแจกของชาำ่วยแต่ว่าเป็นของช่ำรวยที่มีค่ามหาศาลนะถ้าผู้ใดไปศึกษาตามนั้นก็มีโอกาสจะพ้นทุกได้นะแล้วก็มีซีดีธรรมะอีกหลวงพ่ออีกห้าแผ่นนะก็เรียกว่า <c oughs> เป็นการจัดงานที่เรียกว่าได้ประโยชน์จริงๆนะกับผู้ที่มาร่วมงานนะไม่ได้เป็นสิ่งที่ว่าไร้สาระหรือว่าเข้ามาเสียเวลาเปล่า ถ้าเขาได้นําสิง่งต่างๆเหล่านั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆแล้วเขาก็สามารถพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะนี่ก็เป็นเจตนาที่แท้จริงของหลวงพ่อซึ่งพวกเราก็ได้ทําได้สมตามเจตนาที่หลวงพ่อต้องการแล้วนะครั้นี้ก็จากการที่ได้ไปดูธรรมะต่างๆก็มีหลายๆธรรมะที่เป็นสิ่งที่สะดุดใจนะซึ่งหลวงพ่อก็เขียนไว้นะก็มีบางข้อความเช่นเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะ ตรงนี้ก็เป็นความจริงมากนะเป็นธรรมะสั้นๆนะเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะอันนี้ก็ถ้าเราอย่างที่เราสวดมนต์ธรรมะเช้าที่ผ่านไปนะการที่เราเห็นทุกข์นี้นะเป็นของที่เรียกว่าจําเป็นเป็นอย่างยิ่งนะนะหรือแม้แต่ในนะอริสตรัตถีก็ได้บอกไว้ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรูนะ้หรือเป็นสิ่งที่ต้องเห็น เพราะนั้นถ้าเราเห็นทุกข์หรือเรารู้ทุกข์นี่แหละเราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้ะทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเห็นบางทีเราก็ไม่เห็นจริงๆหรอกแม้แต่เราสวดมนต์ทุกวันนะแต่เรากลับมาทบทวนใหม่เราก็จะกลับมาเห็นได้ชัดเจนขึ้นอความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ทางกายและทางใจนี่แหละที่เราสวดกันทุกวันชาติปิดทุกขาชราาปิดทุกขามรณะปิดทุกขัง การเกิดการแก่การเจ็บความการตายก็เป็นความทุกข์ความโศกความรำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความรับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้ น, น, นก็เป็นทุกข์ว่าโดยโยออปทานขันทั้งห้าคือตัวทุกข์ นะก็คือว่าโดยย่อ ก, ก็คือกายและใจเรานี่แหละก็คือตัวทุกข์นี่ก็คือความจริงนะที่หลวงพ่อก็ต้องการที่จะให้เรากลับมาเห็นในตรงนี้นะนะเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะีจริงๆแล้วถ้าเรากลับมาเห็นทุกข์จริงๆนะมันจะมีน้อยคนจริงๆเลยนะเพราะว่ามันอยากจะหลีกเลี่ยงนะเช่นบอกให้มาปฏิบัติธรรมเขาก็บอกปฏิบัติไปทําไมนะเพราะว่าไปบัติแล้วความทุกข์จะลดลงก็บอกเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลย นะก็คือจริงๆแล้วคนเราเมื่อประสบกับสิ่งที่เป็นทุกข์ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะแต่ถ้าเรากลับมาเห็นเออกายและใจนี้มันก็คือตัวทุกข์เป็นกองทุกข์ตัวใหญ่นั่นแหละอย่างที่ว่ามาแล้วนะกายและใจนี่แหละคือตัวทุกองใหญนะ่ถ้าเราสามารถสังเกตในสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะรู้ว่าเออเราอยู่กับกองทุกข์จริงๆนะเหมือนกับเราถือคบไฟนี่แหละคบไฟมันก็เมื่อเราถือแล้วนะสะเก็ดไฟก็จะตกมาโดนตัวเรา แล้วทำไมเราไม่วางคบไฟนั้นเสียนะกองทุกข์ก็มั น, นคบไฟที่เราถืออยู่นี่แหละทำไมเราไม่วางเขานะการบางก็คือเราก็ต้องมุ่งในการเทศเราจะชำระกิเลสออกจากใจของเราทุกๆอย่างความโกรธมันก็เป็นความทุกข์เราทำไมไม่ชะระความโกรธนะทำไมเราไปติดอยู่เพราะเหตุดใดนะความโลบก็เป็นความทุ ก, ทกนะขกเก์เราไปติดอยู่เพราะเหตุใดราคะก็เป็นความทุกข์เราไปติดอยู่เพราะเหตุใด นะเรามองไม่เห็นหรือว่านี่คือสะเก็ดไฟที่ตกมาสู่ตัวเรานะถ้าเราเข้าใจในสิ่งนี้เราก็จะวางได้นะมันเป็นสิ่งที่ว่าเราไปแสวงหาแท้ๆเลยนะเป็นการดิ้นรนของใจนะที่ไปแสวงหาความทุกข์เหล่านั้นมานะโดยที่มันไม่ยัาเป็นนะถ้าเรากลับมาสังเกตจิตใจเราได้มันก็จะเห็นถึงความแปรเปลี่ยนในทุกอย่างนะนะ อีกหน่อยเราเห็นเออจิตมันขยับนั่นแหละก็คือสาเหตุแห่งความทุกข์แล้วเพราะการขยับมันก็จะขยับไปสองอย่างนะก็คือไม่ราคะก็คือไม่ไม่เป็นราคะก็คือไม่โทสะนะก็คือไม่พอใจก็จะเป็นการไม่ชอบใจนะไม่ยินดีก็ไม่ยินร้ายนะเพราะการขยับของจิตนั่นแหละก็คือความทุกข์นะมันจึงถ้าเห็นในสิ่งเหล่านี้มันจะเห็นว่าเออจิตเราเมื่อขยับแล้วมีความทุกข์เราก็ต้องให้ใจเป็นปกติบ่อยๆนะกลับมารู้เท่าทัน อาการของใจต่างๆก็จะออกจากความทุกข์ได้นะมันจะมีทั้งความหยาบและความละเอียดนะความหยาบก็เห็นไม่ก่อนความโลภความโกรธความหลงจนในสุดเราก็จเห็นสภ า, าวะที่มันละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะมันก็คือความทุกข์ทั้งนั้นนะจนทํามีการกล่าวว่าทุกข์นั้นตั้งอยู่และทุกข์ทั้นั้นที่ดับไปเนี่ยเมื่อเราเห็นจริงๆแล้วเราก็จะหาทางพ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากการที่เราต้องเวียนว่ายในสังสารวัตนนี้แหละ เป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่เนาะธรรมะหลวงพ่อก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะหลายหลายอย่างครั้งนี้ก็มาเห็นธรรมะที่ติดอยู่บนแผ่นไม้ที่สาราหน้านะแล้วก็มาจากวัดปูเขาทองนั่นเองบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติจริงๆไม่ได้มีธรรมชาติอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ เราอาจจะบรรลุทมได้จากการสังเกตธรรมชาตินั้ น, นตรงนี้ก็คือความจริงที่ว่าหลวงพ่อได้พูดในเรื่องว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้ น, นแล้วเราอาจจะบรรลุทมได้จากการสังเกตธรตรมชาติที่เกิดขึ้ น, นเหล่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมชาตินั้นเขาได้แสดงความจริงอยู่แล้วในความที่เรียกว่า แปรปรวนไม่เที่ยงบังคับไม่ได้นะตรงนี้คือความจริงของธรรมชาตินะธรรมชาติเป็นสิ่งที่ว่าเราสัมผัสได้จริงๆแต่ว่าเรากลับมาสังเกตเขาได้ไหมนะในความไม่เที่ยงในความแปรปรวนในความบังคับเขาไม่ได้นี่แหละอย่างเช่น <c oughs> ธรรมชาติของดินฟ้าอากาศนะบางวันนีเ่เราอยากให้ฝนตกมากเลยนะวัดก็แห้งแล้งมาตงนานแล้วน้าก็ไม่ค่อยมี บางวันมีเมฆ ก, กลุ่มใหญ่ดำทะมึนมาเลยโอ้ดีใจว่าวันนี้ฝนต้องตกแน่แต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งลมก็พัดหายไปที่อื่นหมดนะหรืออย่างชาวนานี่เขาตั้งหน้าตั้งตารอฝนยิ่งกว่าเรานะการที่เขาจะปักดำนาปักกล้าลงทุนการทำนาแต่ครัง้งไปเงินมหาศาลนะเขาต้องเด า, เดาใจธรรมชาติทีเดียวนะเมื่อนะ ปลูกข้าวไปแล้วเนะต่อไปฝนจะตกไหมฝนไม่ตกก็ต้องแห้งตายขาท้องนาเขาก็ขาดทุนมหาศาลนะนับวันแต่ละวันก็ต้องตั้งหน้าต่างตารอฝนนะแล้วก็คอยเหมือนกับบ้าเออฝนจะต้องตกตามฤดูกาลไหมนะนี่เขายิ่งจะต้องอ่าคาดหวังยิ่งกว่าเราเยอะนะนะธรรมชาติเป็นสิ่งที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะหรือแม้แต่ชาวประมงที่ไปออกทะเล จะคาดเดาได้ไหมตอนนี้มันขึ้นลมสงบปรนะะเดี๋ยวออกทะเลไปจะต้องเจอขึ้นลมนะเรือจะล่มได้เสียชีวิตได้นะมันเป็นสิ่งที่ว่าเขาก็คาดเดาไม่ได้ว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะบางทีน้ําแรงก็อยากอนะให้ฝนตกพอฝนตกอนะก็ตกมากเกินไปจนน้าท่วมอีกนะมันเป็นสิ่งที่เราคาดเดาธรรมชาติไม่ได้จริงๆเลยอันนี้ก็คือความไม่เที่ยงของธรรมชาติคือความแปรปรวนนะความแปรปรวนนี้ ก็เป็นธรรมชาติอย่างของจิตใจนะจิตใจมันก็มีความแปรปรวนนะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงทั้งวันนะบางวันบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีบางครั้งก็ร้ายบางครั้งก็มีความสุขนี่คือความแปรปรวนของจิตใจนะถ้าเรากลับมาเห็นตรงนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่เช่นนี้จริงๆธรรมชาติมีเลยความแปรปรวนมีแต่ความไม่เที่ยงมีการบังคับไม่ได้เนี่ยเราเอาธรรมชาติเราเนี่ยกลับมาย้อนกลับมาสู่ตัวเรามาพิจารณาว่าเออเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ะจิตก็จะเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการคลายกำหนัดและสู่การหลุดพ้นได้เช่นกันอย่างในสมัยพุทธกาลก็จะมีพระบางองค์ที่ท่านเห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาท่านก็มาพิจารณาใบไม้นี้เมื่อก่อนก็ออกมาใหม่ๆก็เป็นสีสีส้มนะหลังนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวะเมื่อแก่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะแล้วก็กลายเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ร่วงหล่นลงมาะ แล้วก็มาเทียบกับชีวิตท่านก็เช่นเดียวกันนะอีกหน่อยก็ร่วงหล่นลงมาเหมือนก็บใบไม้นี่แหละนะก็ต้องตายเช่นเดียวกับกับใบไม้เหล่านั้นหาความแน่นอนไม่ได้นะเอากลับมาพิจารณาสู่ตัวเองแล้วก็เกิดความสลดเกิดความสังเวชเกิดการปล่อยวางนะก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะหรื อ, อยังมีสมัยหนึ่งพระเจ้าก็ได้ทรงสอนพระหนุ่มองค์หนึ่งนะให้ปฏิบัติธรรมโดยการไปพิจารณาไปเพ่งดูดอกบัว เนะมื่อพระไปทาตามก็ไปพิจารณาไปเพ่งดอกบัวใหม่ๆดอกบัวก็มีความสดชื่นนะมีลักษณะตูมนะหลังนั้นดอกบัวก็เริ่มบานนะหลังบานไปแล้วก็เริ่มเหี่ยวนะเหี่ยก็เริ่มร่วงโรยไปเนะมื่อพิจารณาไปก็นำม า, ม า, มาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าตัวเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะตอนนี้เป็นคนหนุ่มอีกหน่อยก็เป็นคนแก่อีกหน่อยกนะ็จะต้องค่อยๆต่อหลายไป ต้องล่วงลับไปต้องตายไปเหมือนกับดอกบัวเหมือนกันนะก็จิตก็เกิดความเบื่อหน่ายนะเกิดความสลดสังเวชเกิดการคลายกำหนัดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไดนะ้ก็คือเอาธรรมชาติเราเนี่ยมาพิจารณาดูตามความเป็นจริงนะจริงๆธรรมชาตินี่สอนสิ่งต่างกับพวกเราไว้เยอะเลยแต่เพียงแต่เราไม่ได้ก <c> ล <oughs> ับมาพิจารณาความเป็นจริงเท่านั้นเองนะหรือแม้แต่พระ จุลบันดกนะพระจุลบันดกก็มาอยู่กับพิชายเมื่อบวชแล้วนะมาอยู่พิชายพิชา ย, ชายคือพระมหาบรรดกนีก็ให้ท่องคาถาเพียงสี่คำแล้วนั้นก็ปวชใช้เวลาสามเดือนก็ท่องไม่ได้พระพิชายก็เลยขับไล่ไปครั้ น, นี้ก็เลยมาขอลาพระพุทธเจา้าพุทธเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอไม่ต้องไปท่องอะไรทั้งนั้นนั่นแหละก็เลยเอาผ้าขาวมาให้พระจุลบันดก ไปคลึงนะพระจุมตัวก็ไปคลึงไปคลึงมาก็เห็นผ้าที่ขาวนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีหมองกลายเป็นสีดําไปก็กลับมาพิจารณาตัวเองก็เหมือนกันนะมันก็เหมือนกันก็มีความแปรเปลี่ยนมีความไม่เที่ยงเหมือนผ้านี่แหละจากสีขาวก็กลายเป็นสีดําไปตัวเองก็เหมือนกันนะสักวันหนึ่งก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะไปสู่ความไม่เที่ยงไปสู่ความตายเหมือนกันะจิตใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกํำนัง ก็บรรูเป็นพระรหันได้เช่นกันนะนี่ก็คือสัจธรรมความจริงคือความไม่เที่ยงนี่แหละความทุกและความที่บังคับบัญชาก็ไม่ได้ไม่ใหตัวไม่ตนนี่แหละคือความจริงของธรรมชาติเพราะธรรมชาติก็ได้แสดงความจริงถึงไตลักษนั่นเองในความไม่เที่ยงในความแปรปรวนในความคงสภาวะเดิมไม่ได้ซึ่งเรียกว่าเป็นทุกขังในการที่บังคับบัญชาก็ไม่ได้ในความไม่ตัวไม่ตนซึ่งเรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เห็นไตรักษ ผู้นั้นแหละคือผู้ที่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงหรือสัจธรรมความจริงในโลกนี้เมื่อเข้าใจเช่นนั้นแล้วก็จะเห็นถึงสภาวะสิ่งเหล่านี้ว่าเราบังคับอะไรเขาไม่ได้เลยเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นในสุดเขาก็จะเสื่อมสลายไปทั้งหมดนะจิตใจก็จะได้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดการคลายกำหนัดนะเมื่อเบื่อหน่ายเมื่อคลายกำหนัดจิตก็จะหลุดพ้นจากสภาวะแห่งความที่เรา อเป็นอยู่นะเมื่อหลุดพ้นแล้วนะจิตก็เข้าสู่ความเป็นพระยเจ้านะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนะที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละคือการออกจากความทุกข์ที่แท้จริงนะเพราะไม่ใช่ว่าการออกจากความทุกข์ก็คือการที่เรานะไปแก้ไขดัดแปลงไปหาความสุขอันนั้นไม่ออกจากความทุกข์แม้แต่นิดเดียวแต่นั่นเป็นการกดเกินความทุกขนะ์แต่การออกจากความทุกข์ที่แท้จริงคือการเราเห็นความจริงในสภาวะของไสยธรรมหรือพระไตรลักษณ์นี่แหละ ให้เห็นบ่อยๆนะเพราะการปฏิบัติธรรมก็คือเราต้องเห็นบ่อยๆเห็น จ, นจนจิตเขาเกิดการเข้าใจจริงๆในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาและจิตที่เขาเข้าใจแล้วก็จะเกิดการปล่อยการวางนะเมื่อแต่เราการปฏิบัติธรรมเราก็เห็นไหมถึงความไม่เที่ยงของการปฏิบัติบางวันเราไปบัตรได้ดีวันรุ่งขึ้นเราก็ไปบัติได้ไม่ดีแล้วนะหรือเมื่อเช้าเราไปบัตรก็ยังดีอยู่ตอนบ่ายเราก็ฏปบัติไม่ดีแล้ว เนี่ยเขาก็แสดงความจริงของพระไตรลักษ์หรือธรรมชาตินั่นเองว่าเราบังคับก็ไม่ได้นะเขาจึงไม่เที่ยงให้เราเห็นนะเรานั่งนานๆนก็ปวดก็เมื่อยนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนขึ้นมาเดินจงกรมเนี่ยก็คือเขาแสดงธรรมชาติแล้วว่าเราทนในสภาวะเดิมไม่ได้นเราก็ถึงต้องเปลี่ยนอิริบทนะเพื่อจะแก้ความทุกข์นั่นเองนะเราเห็นจิตใจความคิดไหมว่าเขามีการคิดวนเวียน ท, ทั้งวั น, เ ด, วด เ, น, วนเดี๋ยวคิดเรื่องนู่นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้ นะจะให้เขาสงบแม้แต่ห้านาทีก็ยังสงบไม่ได้เลยนี่แหละก็คือการให้เราเห็นแล้วว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะที่บังคับไม่ได้มันจึงไม่ให้ตัวไม่ตนนะอันเนี้ยเมื่อกลับมาเห็นในตรงนี้จริงก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกําหนักเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมาเห็นความจริงของธรรมชาตินี่แหละนะอันนี้ก็เป็นเหตุที่ว่าเราอาจจะบรรลุธรรมได้เหมือนที่หลวงพ่อบอก ต่อมาหลวงพ่อก็ยังมีมีเขียนไว้ะในช่วงที่ท่านป่วยนะก็เป็นการเขียนอยู่ในหนังสือตาตาบอกว่ามีการปล่อยวางตะพืชตะพือไปเสมือนเจ้าพญาคองเล็กคองใหญ่ก็จะไหลลงสู่เจ้าพญาเจ้าพญาก็จะนํา น, น้ําเหล่านั้นลงสู่ทะเลได้ทั้งหมด การปล่อยวางยิ่งใหญ่ขนาดเจ้าพญาเนาะนี่ก็คือหลวงพ่อก็เน้นในตรงนี้ว่ามันต้องเป็นการปล่อยวางนะการปล่อยวางนะมันเป็นธรรมะที่สาคัญยิ่งนะเพราะมันจริงๆแล้วมันเป็นการสรุปธรรมะทั้งหมดลงมาสู่จุดนี้เหมือนที่พระพุทธเจ้าก็ได้ส่งสรุปมาไว้ว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะ ทำทั้งหลายทั้งปวงคือการไม่ยึดติดนะเพราะการปล่อยวางก็คือการไม่ยึดติดนั่นเองนะการที่เรา <c oughs> ปล่อยวางเป็นการที่เราไม่ยึดติดนะเป็นการละการคลายนะละการคลายความยึดมั่นถือมั่นอ่านะเป็นสภาวะที่เราไม่เป็นอะไรกับอะไรอนะมันเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นการคืนความยึดถือ ในร่างกายและจิตใจกลับสู่ธรรมชาตินะเพราะว่าตราบใดที่เรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ตราบนั้นเราจะไม่มีการปล่อยวางนะมันเป็นการปล่อยวางแต่ปากเท่านั้นเองนะใครๆก็พูดคำว่าปล่อยวางได้แต่จริงๆแล้วเขาปล่อยได้จริงหรือนะการปล่อยได้จริงๆนะก็เกิดจากการที่เราต้องเข้าใจนะสภาวะที่เราไปยึดมั่นจริงๆนะเราจะปล่อยวางสิ่งใดเราต้องเห็นสิ่งนั้นนะ เราจะปล่อยวางความโกรธเราก็ต้องเห็นความโกรธให้ได้ว่าความโกรธมันไม่ดีอย่างไรมันมีทุกอย่างไรเราก็จะเกิดการที่เรียกว่าเราเข็ดเราเข็ดที่จะไปโกรธอีกแล้วเพราะความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราเข็ดเราก็จะเกิดการปล่อยวางได้บางทีเราอเคยทํางานบางอย่างใหม่ๆก็ทําด้วยความเพลิดเพลินแต่ทําไปนานๆมันก็น่าเบื่อหน่าย เราก็รู้ว่างานนี้มันไม่ดีแล้วล้วก็ปล่อยวางนะหรือบางทีผู้หญิงไปได้คบกับผู้ชายคนหนึ่งนะเราก็คาดหวังว่าผู้ชายคนนี้คงเป็นคนที่ดนะีที่จะเป็นคู่ชีวิตที่ดีของเรานะเขาจะคุ้มครองเราได้เขาจะให้ความสุขเราได้ก็เลยตัดสินใจแต่งงานนะแต่เมื่อแต่งงานไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะแล้วเราก็บังคับก็ไม่ได้ด้วยนะแล้วยิ่งเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ บ, บ่อยๆนะจนไปเห็นว่ามีกิ๊กแล้วนะเราก็ทนไม่ไหวเราก็เลิกกับผู้ชายคนนี้แล้วก็เลิกคบตลอดชีวิตนะทำไมเราจรึงเลิกคบเพราะว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีนะเราก็ปล่อยเขาเราก็ไม่อยากจะเจอเขาอีกตลอดชีวิต เพราะจิตเกิดการเข็ดนะเกิดการเข็ดเกิดการเห็นโทษนะในการที่เราไปคบผู้ชายคนนี้นะเพราะนั้นมันจึ ง, infinity, จง hic, ต้องเห็นโทษซะก่อนมันจึงจะปล่อยได้จริงๆนะความโลภเราก็ต้องเห็นโทษของความโลภนะราคะก็ต้องเห็นโทษของราคะความโกรธก็ต้องเห็นโทษของความโกรธเมื่อเราเห็นจริงๆเห็นบ่อยๆเราเน pase, ี่ยมันก็จะปล่อยไดนะ้มันเกิดการปล่อยวางได้โดยสภาวะของเขาเองนะ มันจึงต้องเห็นโทษทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงเป็นสิ่งที่ดีดีหมดไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีหมด <c oughs> เพราะทุกสิ่งทั้งหลายมาสอนให้เราเห็นโทษจริงๆ <c oughs> ความโกรธก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราเจอบ่อยๆก็เป็นสิ่งดีเพราะว่าเราได้เห็นโทษเขานะไม่ใช่ว่าเออความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะละไปเลยทิ้งไปเลยนะผลักไล่ขับใส่เขาอันนั้นเราก็ไม่เห็นโทษนะ มันต้องเห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ดีหมดไม่ใช่ไม่ดีไม่มีอะไรที่ไม่ดีในโลกเลยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเพื่อเราเห็นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะได้เกิดความเข้าใจอ่เกิดเห็นโทษภัยอในสิ่งไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้นนะเราก็จะเกิดการปล่อยวางในทาจริงะเพรา ะ, ะการปล่อยวางนี่แหละมันจึงเป็นหนทางที่เราจะพ้นทุกได้ะมันจึงมา <c oughs> รวมสรุปในตรงนี้ได้เลย <c oughs> แล้วก็ในในอริยสัจสี่ก็มีกล่าวไว้ว่า <c oughs> การที่เราถึงนิโรธ น, นิโรธก็คือความดับทุกข์ความดับทุกข์ก็คือมีได้อยู่ได้จริงนิโรธนิโรธก็คือดับทุกข์ค่านิโรธก็คือการดับทุกข์ค่านี้ท่านกล่าวไว้ว่าอย่างไงโยตัสลาเยวะตันหายะเซสาวิลาคะนิโรโทโจารโคปนิสโคมุตินาโยก็คือการดับทุกข์ก็คือการดับตันหานั่นเองเป็นเวลาฆะก็คือการที่คายออก หรือการจางคายจากตันหาเหล่านั้นนะก็จะถึงนิโรธก็คือการดับสนิทของตันหาเหล่านั้นนะมันก็คือการที่เราคายออกจากตันหานั่นเองนะการตันหาการที่เราคลายออกนั่นแหละคือการที่เราปล่อยละวางนะเมื่อเราปล่อยละวางก็จะเกิดนิโรธเกิดขึ้นนันิโรโทนะก็คือการดับทุกข์นะซึ่งเป็นไปในหนทางของการดับทุกข์ที่พระเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ในอริยสัจสี่มันตรงกันเลยนะที่กับคําว่าอวิลาคะ คือการที่เราจางขาวจากตัณหาหรือการที่ข่ายออกจากตัณหานั่นเองนะเพราะนัการปฏิธรรมก็คือให้เราเห็นโทษเห็นโทษเห็นไพรในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไม่แต่ความยินดีความพอใจนะความรักทั้งหลายเหล่านี้เป็นความสุขก็จริงแต่จริงๆแล้วในความสุขนั่นแหละมันเป็นความไม่เที่ยงอยู่ในตัวนะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้า นะเพราะนั้นมันก็คือความทุกข์นั่นเองนะมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรอะไรเลยเรากลับมาเห็นในความที่เขาแปบบวนเรานี่บ่อยๆนะเราก็จะเกิดการปล่อยวางได้เองนะนะก็มีคำกล่าวว่านะเรารักใครคนนั้นก็จะนำความทุกข์มาให้เรานะนั่นแหละการที่เรารักใครก็แล้วแต่นะมันนำความทุกข์มาให้เรายังแน่นอนนะเพราะนั้นเมื่อเราไม่รักใครเขาก็ไม่นาความทุกข์มาให้เรา นะเรารักลูกลูกล ก, ก็นำนำความทุกข์มาให้เราเรารักสามีรักภรรยาก็นําความทุกข์มาให้เราเพราะว่าคนที่เรารักนั้นเขามีได้วความแปรปรวนมีได้วความไม่เที่ยงบังคับไม่ได้นี่แหละมันก็นําความทุกข์มาให้เรานะในสุดเมื่อจะเข้ามาสู่ธรรมะในตรงนี้ว่าสัพเพนารางังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องปล่อยต้องวางจากความยึดมั่นถือมั่นในสับสิ่งทั้งปวงเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนนะตัวเรานี่แหละคือ ความยึดมั่นตัวใหญ่เลยนะคือคือกิเลสตัวใหญ่มันอยู่ทีตัวเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่ น, นะกิเลสตัวใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงแต่เกิดจากการที่เรายึดมั่น ถ, ถือมั่นในตัวตนนี้เองเ <c oughs> มื่อยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็จะมีของเรามีตัวกูของกูะเ <c oughs> มื่อมีตัวเราของเราแล้วเนี่ยก็จะมีของของเรามีลูกมีภรรยามีสามีของเรามีทรัพย์สมบัติเราตามมาเมื่อเกิดสิ่งเหล่านตามมาก็จะเกิดความยึดมั่นนะเพิ่มขันห้าไปเรื่อยๆ แต่ความที่เรายึดมั่นเหล่านั้นมันก็มีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงราคะก็ย่อมจะเกิดจากสิ่งเรายึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นเป็นการที่เรียกว่ากิเลส ก, ก็ตามมาจากการที่เรายึดมั่นในตัวต น, นเป็นหลักพพเพราะพระพิจ้าก็เลยบอกว่าให้ละสากายธิทิฏเสียในสังโยชน์เบื้องตน้นคือสังโยชนข้อแรกนี่แหละให้ละสากายธิทิฏก็คือการละความยึดถือยึดมั่นในตัวตนนี่แหละเมื่อเรายึดละความยึดมั่นในตัวตนได้แล้ว สังโยชน์ข้ออื่นก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วล่ะที่จะตามมาอะไรก็จะคลายออกไปได้เองโดยอัตโนมัตินะก็คือวิจิกิจชาศิลปตปรมาทเนี่ยมันจะคลายไปเองน ะ, ะสังโยชน์ตัวอื่นก็จะค่อยๆคลายตามนะคือปฏิฆะลาคะกามราคะต่างๆก็คลายไปนะลูก ป, ประลาคะเอาูก ป, ประลาคะมานะอุทจจ ะ, ะอวิชชาต่างๆก็จะคลายไปหมด <c oughs> จากการที่เราละ สักกะทิเนี่ยให้ได้สก่อนก็คือความยึดถือในตัวเองนี่แหละขั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็คือในประการแรกก็กลับมาที่ตัวตนเป็นการละคาย่งความยึดติดความยึดมั่นในตัวตนให้ได้ก่อนให้เห็นโทษเห็นภัยนะเห็นโทษเห็นภัยในขันห้านี่แหละเห็นทุกข์ในขันห้านี้อย่างที่เราว่าแลววา้ว่า <c oughs> วาดวยวาวาดยย้าอุปทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์เมื่อเราเห็นทุกข์จริงๆแล้วจิตก็จะเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการคลายกำนัง นะเกิดการคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้ได้เองนะมันในที่สุดก็กลับมาที่ตัวเราอว่าเราเมื่อเปิบัติรรมแล้วเนี่ยเรามีการละคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้มากน้อยแค่ไหนเราสังเกตได้ไหมในความที่เป็นตัวตนขึ้นมาในอขณะใดขณะหนึ่งนะเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งเราต้องสังเกตในตรงนี้ให้ได้เราจะละสิ่งใดเราจะต้องสังเกตสิ่งนั้นให้ได้ก่อนต้องเห็นเขาก่อนนะ ต้องเห็นกินเลยในตรงนี้ก่อนถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะละตัวนั้นได้แต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็จะละไม่ได้เลยนะพราะเราต้องกลับมาสังเกตตัวตนว่าเรามีตัวตนอยู่เยอะไหมเราไปบัตแล้วเนี่ยตัวเราใหญ่ขึ้นหรือตัวเราเล็กกว่าเก่านะถ้าตัวเราใหญ่ขึ้นเราดีแล้วิเศษเราเก่งกว่าคนอื่นแล้วนะไปบันแล้วเราเก่งกว่าคนอื่นตรงนี้มันก็เป็นความที่เป็นตัวตนเราโตขึ้นมาอีกนะไม่ได้เล็กลงเป็นแม้แต่น้อย นีความเป็บัติธรรมแล้วตัวต้องเล็กลงต้องมีความเป็นผู้เรียบง่ายมีความเป็นผู้ที่ปล่อยวางเป็นผู้ที่ติดดินนะเหมือนกระหลงพ่อเนี่แหละท่านแสดงให้เราเห็นมาตลอดชีวิตที่พวกเราได้สัมผัสกับท่านท่านมีความเรียบง่ายมีความปล่อยวางมีเมตตาเป็นผู้ที่ง่ายๆเป็นผู้ที่อย่างไรก็ได้อย่างที่ท่านบอกว่าไม่เป็นอะไรกับไรนะเป็นผู้ที่ติดดินใช้ชีวิตง่ายๆไม่ได้แสดงความโดดเด่น นะไม่ต้องการชื่อเสียงใดๆเลยนะในงานก็ไม่ต้องการให้มีพระราชทานเพลิงศพนะเป็นความเรียบง่ายท่านแสดงเราเห็นตลอดชีวิตแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรานะสามารถปฏิธรรมได้จริงๆเราก็จะคล้ายๆหลวงพ่อนั่นแหละก็จะมีความเรียบงนะ่ายมีความติดดินะนะมีชีวิตความเป็นอยู่ทีนะ่เป็นไปตามธรรมดาไม่ได้มีสิ่งใดวิเศษเกิดขึ้นเลยเนาะอันเนี้มันจะเป็นการที่เร า, เราค่อยๆไปแล้วก็ค่อยสังเกตตัวเองในความที่ว่าเราสามารถปล่อยวางได้แท้จริงไหม จากการยึดติดในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะตัวตนของเรานี้นะะเพราะนั้นในทายสุดนี้ก็ขอทุกท่านจเจริญด้วยศีลด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาและถึงซึ่งการปล่อยวางในความผิดมั่นถือมันในตัวตนได้อย่างสิ้นเชิงในชาติปัจจุบัน ท, ทุกท่านเถิด